ตอนทวนกระแสโลกจึงเห็นธรรมวันที่20กันยายน2558กาบในมรสกการพระคุณเจ้าสา ม, มาเณรคุณเมชีกัลยามิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะ <c oughs> ก็วันนี้พ่อครูจะแจ้งข่าวนะ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 นะแต่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเราเปลี่ยนพัดลมช่างไฟเข้ามาทำกลาคืนทุกคืนนะพวกเรากลับเขามาทำถึงสว่างมันก็ยังนั่นเพราะไฟที่สาราเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันหมดเนี่ยมันกินประมาณห้าหกสิกิโลวัตต์หม้อแปลงเราอยู่ทั้งศูนย์เนี่ยร้อยกิโลวัตต์ก็แสดงว่ามันดูดเข้ามาครึ่งหนึ่งนะก็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 นะแล้วก็จะต่อน้ำจากตรงนี้เนี่ยมาอยู่ข้างๆถนนอีก8ดแทงอันนี้เป็นน้ำกินนะน้ำฝนเป็นน้ำกินที่ผ่านปีที่แล้วก็ไม่พอใช้แล้วละ่ะนะแล้วก็น้ำใช้ก็ไปสร้างแทงใหญ่สองแทงประมาณ เ, เกือบแสนลิตรสองแทงนะสต็อกน้ำใช้ไว้เพราะว่าเวลาเราใช้เราใช้ ตอนเย็นตอนเช้าใช้เวลาพร้อมๆกันนะถ้าไม่มีสต๊อกบาดาลที่เราสูบขึ้นมาเนี่ยสองบาดาลนี่มันสูบขึ้นมาไม่ทันก็เนื่องจากวงงานนี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้นะทีแรกเขาเชิญให้พ่อครูไปสอนที่โรงเรียนเขาเลยเนี่พ่อครูไม่ออกไปข้างนอกเขาก็เลยลงทุนนะกล้าหาญมากวันนั้นผู้บริหารก็มาปฏิบัตินะคือ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 ก็ขนาดก็โตกว่าของเราสิบสิบสิบเท่าสิบกว่าเท่าอะเนาะนักเรียนหลายพันเจ็ดแปดพันก็พ่อครูว่าก็ให้วาขาดเขานะก็พ่ะครูไม่อดพึ่งนอกเขาอุตส่าห์มาที่นี่ก็ชุดนี้เรียกว่าแขกก็ได้เพราะว่าครูแต่ละคนไม่เคยมาที่นี่เลยเขาเป็นแขกของเราแต่ที่ผ่านมาหลายปีนี่ไม่มีแขกพวกครูเลยนะ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 ใช้คำว่าน่ากลัวมากไ ม, ไม่เคยเป็นนะตอนนี้ใต้บาดาลก็ปั่นปวน่วนละพญานาคกิ้วมากเห็นไพอฝนแรงก็เจาะน้ำบาดาลกันใหญ่เลยเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะเจาะกันใหญ่เลยสูบขึ้นมาอย่างกระทันหันในข้างล่างก็เป็นโพรงหมดนะแล้วก็โลกมันเอียงตอนเกิดซินามินั่น น, น้ำบาดาลเปลี่ยนทิศหมดอันนี้ข้างล่างก็ปั่นป่วนหมด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 ว่าศูนยนี่เรามีน้ํากินนะน้ำใช้ก็น้ําบาดาลมันมันมันมันไม่แน่นอนละก็แล้วน้ําเขื่อนมาเสริมน้ํำพ่อปลูกก็น้ําเขื่อนนั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นน้ําเขื่อนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดน้ํากินน้ําใช้น้ํำพ่อปลูกที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องมีก็คือน้ําใจนะถ้าไอ้สามนั้นอุดมสมบูรณ์มากจะไม่มีน้ําใจนะ มันก็ร้อนไปหมดแหละทะเลาะบ่แว้งกันแล้วตอนนี้ชาวนาเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองเกษตรอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ทะเลาะกันแย่งน้ำกันแหละเห็นไมมันเริ่มวิกฤตเลยน ะ, นะเพียแต่ว่าศูนย์นี้โอเคเพราะครูเพิ่มพวกเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มพัดลมเข้ามาแต่ละแต่ละตัวนึหนึ่งมอเตอร์หนึ่งแรงนะ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 บอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นสิ่งแปลกใหม่ ๆ, หๆเห็นไหมเราทำเรื่องเก่าๆเาช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นนะถ้าเป็นถ้าเป็นหนังไทยนะวิชานี้คือวิชาขวัญกับเรนะียมนะขวัญกับเรียมนะเช้าสายบ่ายเย็นเรามาเต้นกันเรามาลํากันเรามาทำนี่ทแต่เรื่องเก่าๆแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆ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 เขาไปตักเป็นปิ๊บๆ อ, อยู่ในอยู่ในอยู่ในวัดในบ่อน้ำน่ะสมัยก่อนกินบ่อน้ำตื้นใสมากแล้วมาเทใส่โอ่งแล้วก็เอากระบวยน่ะซึ่งทำด้วยกระลามมะพร้าวเห็นไหมก็กินน้ำแต่ทุกวันนี้เรากินน้ำใส่ขวดพลาสติกสมัยใหม่ไงะสะดวกปุ๊บกินเลยนั่นแหละเราคิดว่า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 เอาเป็นว่ามันเหมือนมันเบามันดีแต่มันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคุณย่าคุณแม่พ่อครูนั่นแหละอายุเกือบเก้าสิบแล้วนะเขาก็ไปจับไปผ่าตัดอะไรแกไม่อยากผ่าก็ไปหาไปตัดเออมันก็มีผลข้างเคียงแล้วก็เจ็บเจ็บให้หายแล้วไปหาหมอหมอก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อไม่ให้กินข้าวเพราะมันเป็นแป้ง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 แต่ถ้าทำหยอกยกหยกัยกหยกักนะทำไม่จริงจังแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำครึ่งถังนะอันนี้ก็ให้ข้อคิดก็เคดคุณย่าคุณแม่อาจารย์อ้อยเมื่อเช้าก็คุยกันโอเคท่านก็เข้าใจกันบอกอืมมันเหมือนเตือนสติเราอย่าประมาทพวกเราชาวศูนย์ไม่ประมาทอยู่แล้วเราเตรียมตัวตายทุกเช้าเลยเห็นไหมนะ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 นายอะไรเหรอฮะนายจุนทะใช่ไหมนั่นแหละพระองค์ฉันแล้วพระองค์ก็บาลนิพานก่อนจะบาลนิพานพระองค์กลัวว่านายจุนทะจะคิดมากนะก็สั่งพระ อ, อนุนบอกเป็นบอกนายจุนทะนะในชีวิตพระองค์เนี่ย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 หรือจมลงน้ำอย่าให้ไหลไปตามน้ำามก็วางลงไปก็ทวนกระแสน้ำแล้วก็จมลงไปทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ฉายเห็นว่าพอจมลงไปในใต้ท้องน้ำนะตรงนั้นน่ะชามทองคำอะไรเด็ดเต็มไปหมดเลยนะเหมือนเขาพระสูเมนน่นแหะมันมีหลายหลายดวงจิตเขาทำมาอย่างนั้นมาแล้ว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 ข้าวมัุู ป, ปาญาตนั้นเขาถึงทำวิธีอย่างนี้ไงคือคือระลึกถึงพระ อ, องค์นะทีนี้ไอ้ถ้วยทองคาที่ลอยทวนกระแสนั้นในยะคือแสดงธรรมว่าถ้าเราไม่กล้าทวนกระแสโลกไม่มีทางบรรลุธรรมพราเรากำลังทวนกระแสบางคนถูกด่าด้วยพวกสิ้นไร้ไม้ตอบอะ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 เออถ้าถ้าถามพระครูพ่อครูก็แลกเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ไม่ถามเลยนะวิจารณ์ปุ๊บตัดสินเลยคนยุคนี้แรงมากแล้วก็มีคนถามพ่อครูเหมือนกันละ่พะพ่อครูตั้งแต่ออกไปข้างนอกห้าปีนะออกหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรมเนี่ยมีทั้งดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐอะไรอะไรเนี่ยบางคนด่าพระครูเสียเสียหายหายไม่เห็นพ่อครู ไปตอบตัวอะไรเลยเลยนะมันมีคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพรอครูทำแบบนี้ปล่อยให้ไปตามพมลิขิตเหรอไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างพมลิขิตมันเป็นกรรมลิขิตแลว้วพ่อครูอยู่เฉยๆทำไมและจะให้ยังไงไปทะเลาะกับมันทำไมละ่ะคนเขาบ้วนทําลายขึ้นฟ้าเนี่ย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 เหมือนภาพยนตร์พระพุทธเจ้านี่สอนอะไรเยอะนะพระโมคคัลลานะกับพระรูปหนึ่งเนี่ยพราะคูจําชื่อไม่ได้ล่ะตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ได้ยินแต่โมคคัลลานะเดินไปบินธบาตเศรษฐีก็ด่าไอ้พวกขอทานไอ้พวกหลอกลวงท่านก็นิ่งไงพอนิ่งปุ๊บด่าไปถึงพระพุทธเจ้าอีกตอนนี้นิ่งไม่ได้แล้วด่าครูบาอาจารย์เห็นไหมก็เลยเหาะให้ดูเลย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 นะีจะไปทําไม่ล่ะก็ไม่ต้องทําอะไรนะ่ยเขาจะไปทําให้ฟ้าต่ําได้ยังไงถ้าเราเป็นฟ้าจริงๆเนาะเนี่ยเมฆบอกมานลอยไปลอยมามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะแต่ฟ้าย่อมเป็นฟ้าจะไปตื่นเต้นกับเมฆบอกทําไมหรือดูการมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันทำไมคนมันก็คิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันคนนี้เขาชอบสร้างกรรมก็สร้างกรรมสิแล้วไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไร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 หลายปีมาเนี่ยพ่กครูก็ได้ยินพ่อครูไม่ไม่มีอะไรมีแต่เตือนทุกคนนิ่งมานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดนะที่เขาแย่เราเนี่ยต้องขอบคุณเขาด้วยนะถ้าเราเกิดมีอารมณ์นะเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบเขาเสียสวยนะขอบคุณนะที่เขาทำให้เราเห็นอารมณ์เราแต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยจงสำนึกนะกำจัดตัวนั้นเสียอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอีก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 ไม่กลัวเหรือกลัวอะไรเขาบอกกลัวมันจะหมดแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมพวกครูทำไมกล้าเสียสละอย่างนี้พ่อครูพครูไม่โง่ที่จะเสียสละนะพวกครูมีปัญญานะถึงจะมาอยู่ที่นี่พวกครูมาทำในสิ่งที่ควรทำต่างหากใครบ้าจะไปเสียสละชีวิตมันทําเล่นได้เหรอเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้ยึดบ้านถือมันไม่ใช่อุดมการ แต่เรายืนหยัดกับความถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่อุดมการณ์ยุคนี้เนี่ยผู้รู้ต่างๆเนี่ยแค่ไปอ่านพระไตรปิฎกจบแค่ป ร, ริยนก้าเป็นแค่ด็อกเตอร์ทางศาสนาจะไปแสดงธรรมคุณอะไรไปแสดงคุณไม่เห็นธรรม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 ผูรู้มากผู้อวดรู้แต่ไม่ใช่ผู้รู้จริงทำให้ทบบาลสังคมทะเลาะเบาแวงกันเลยคุณชำนาญอย่างไรคุณก็ทำไปสิเห็นไหมคุณมีอะไรดีคุณก็ส่งเสริมมวลมนุษยชาติไม่ใช่ทุกคนต้องไปทำเหมือนคุณเห็นแต่ตอนนี้เราเรียนวิชาการว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ได้ไงใครแตกต่าง ก, กับตัวเองเนี่ยตัดสินหมด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 แล้วก็ถ้าเขาสงสัยเขาถามพรอครูเนี่ยพรอครูยินดีแลกเปลี่ยนไงเขาไม่ถามเลยไงเขาวิจารณ์ปั๊บปั๊บปเขาก็ตัดสินเลยไงถึงจะทําดีก็ช่างก็ตกนรกอย่างนี้เราอย่าทําดีนะตกนรกนะก็ทุกคนต้องอยู่กับสังคมให้ได้นะแต่ต้องต้องยืนหยัด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 พระ อ, องค์ที่เป่งออกมาเนี่ยเป่งจากที่พระ อ, องค์ไปสัมผัสของจริงนะทีนี้ของจริงนั้นอ่ะมันเป็นปัจจิตังไงรู้ได้เฉพาะตนจะไปพูดให้มันลายละเอียดว่าที่ไปเหน็นมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรมันพูดไม่ได้แต่พระ อ, องค์บอกหลักการเราแล้วบอกวิธีที่จะเข้าไปเห็นตรงนั้นไม่ใช่ให้มาท่องจําคําพูด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 ผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตำลาเห็นไหมพระองค์บอกไว้หมดเลยทําไมอ้างผู้เจ้าทำไมเชื่อตำรามากมายล่ะทุกคนต้องเนี่ยนะเนี่ยพร ว, วันที่ผู้เจ้าจะจากไปบอกว่าต่อไปเนี่ยพระอนุสนาว่าเมื่อผู้เจ้าไม่อยู่เนี่ยพวกเราจะยึดอะไรนะผู้เจ้าก็บอกยึดพระธรรมสําคัญว่าเรารู้เปล่าพระธรรมคืออะไรนะ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 แล้แค่นี้อั น, นี้เรียกว่าพุทธในลีดเหรอท่านทานหรือยังท่านมีศีลไหมไอคนที่ไปเจ้าด่าคนอื่นอะไรอะไรเนี่ยนะไปกำหนดโทษเขานี่มันมันมันเป็นวาจีกรรมอ่ะนะพวกครูดูแล้วว่าลูกเด็กกนี้เนี่ยความรู้แบบเหตุผลแบบตรร ก, กะนี่อันตรายมากนะเดี๋ยวมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวเที่ยวหน้า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 ทีนี้เขาอยากรู้ว่าทออ่านในแง่วิชาการเนี่ยเขาแบ่งนรกเนี่ยเป็นกี่ชั้นกี่ขุมแต่และขุมเนี่ยมันทำกรรมอะไรบ้างพราะคูว่าอย่ารู้โดยดีไหมถ้ารู้เราจะหนาวนะมันน่ากลัวมากแล้วทีนี้เขาจัดเวลานรกเนี่ยนะเขาไม่เรียกว่ากี่ปีนะตรงนรกกี่ปีนะมันเป็นอสงไขยเลย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 แค่ไปฆ่าสัตว์ไปลังแกสัตว์หรือว่าไปโกรธไปอะไรเนี่ยก็นรกเลยนะที่บอกว่าผู้เจ้าบอกอย่าประมาทวัฏฏะสงสารเนี่ยมันน่ากลัวมากคนที่มีทิฏฐิมาหน้าอะไรเฉยๆเนี่ยมีแล้วไม่ใช่เราอยากให้มันมนมันมีแล้วเนี่ยต้องรีบแก้ไขซะนะก็จะให้พวกกูจะไป สู้ลบตบมือกับเขาทำไมนะเออเขาแสดงความรู้เขาด่ามาอะไรเขาทำอะไรก็เป็นอย่างนั้นไงเห็นไหมพวกเราไม่ต้องกังวลเออศูนย์นี้ถ้าสูงสุดนะเขาคงไม่จับพวกครูไปติดคุกติดตารางนะไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะอย่างมากถ้ามันอ้างว่าเฮ้ยอะไรว่าปิดศูนย์โอ้พ่อครูสบายเลยตอนนั้นแคไปกลัวอะไรเราไม่ได้ค้าขายเนาะ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 ไม่เคยสงบเลยเขาไปบวชบวชแล้วฝึกยังไงฝึกยังไงก็ล้างใอ้ภาพนี้ไม่ออกก็ได้ยินข่าวของอาจารย์พธิธรรมคนจีนนับถือมากเรียกว่าอาจารย์ตักมอก็ไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าธรรมกี่วันกี่วันนั่งจนหิมะตกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะพาะตัวเองทุกข์มากแก้ไขปัญหาไม่ได้ทีนี้พระ อ, อาจารย์พธิธรรมท่านก็มีญาณรู้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 ใช่ไมไอ้แขนนี่เรื่องเด็กใช่ไมบางคนถามพระครูปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกข์จะลงทุนแค่ไหนมาถามเอาเงินซื้อเอาอีกละ่ะบอกกี่แสนล้านก็ไม่ได้คุณต้องถวายชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วยเราไม่รู้ถวายมากี่ชีวิตแล้วตอนพุทธกาลเนี่ยก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งน่ะขยันมากมุ่งมั่นมําเพลินเพียงไม่หลับไม่นอน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 ยิ่งมีเยอะเลยยิ่งบรรลุไม่บรรลุธรรมน่ะมัวแต่นั่งเฝ้านั่งแบกอยู่ตรงนั้นแหละอย่าประมาทนะ่ะเราก็ปฏิบัติปฏิบัติหนึ่งที่มันที่มันยังไปไม่ได้เนี่ยเราก็สร้างบา ร, รมีระดับหนึ่งทานศีลภาวนาก็ทําอยู่แต่ไม่ยอมตัดบ่วงเห็นไหมลุกปวงเปล่าเปลเปล่าเปลมันก็ลอยลอยลอยแล้วมันติดบ่วง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 บ่วงนี้เนี่ยไปเผาก็ไม่ได้นะเออเมื่อเมื่อหัวค่ำนี้พระกูเห็นข่าวนะเมืองไทยตอนนี้เฉลี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคนฆ่าตัวตาย12คนเอาเป็นว่า2ชั่วโมงตายคนหนึ่งและผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนั่นละมันมีศักดิ์ศรีอัตตาตัวตนเหมือนแข็งแรง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 เขาไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นแค่วันเริ่มต้นเขาคิดว่าตายจบแล้วเนี่ยพวกนี้พวกนี้มันไม่เชื่อพุทธเจ้าไงเขาไม่เชื่อเรื่องเวียนไหว้ตายเกิดบาปพว้ไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปอย่างยิ่งไอ้โปรแกรมนั้นแหะมันจะส่งผลทันทีเลยเนี่ยคือแก้ปัญหาโดยว่าหนีปัญหาคือฆ่าตัวตาย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 พ่ะครูก็พูดคำนี้ถูกต่อว่าอยู่นะได้ยินแต่ผู้ครูพูดถึงเรื่องนิพพานนิพพานไม่เทเอทยานมากเหรอนักวิชาการมาบอกพรอครูนะพูดแรงมากบอกคุณรู้หรือเปล่านิพพานมันคืออะไรนิพพานมันไม่มีอะไรมันไม่เหลืออะไรเลยมันจะเทเลทยานได้ยังไงเรามักน้อยสันโดษต่างหากเรากําลังแสวงหาสิ่งที่ไม่เหลืออะไรเลยน่ะมันจะไปเทเอทยานได้ยังไง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 สบายสบายไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยพอกลับบ้านเห็นบ้านมันเปื้อนก็ด่าลูกอีกไม่รู้จกทำความสะอาดแฟนมาก็ด่าแฟนอีกไม่รู้ปฏิบัติไปทำไมต้องพูดแก้แค้นเนี่ยไม่ได้พูดมาสิบห้าวันเนยกลับไปต้องพูดมากกว่าเก่าอย่างนี้ปฏิบัติแล้วไม่มีประโยชน์ปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติแผเมตตาแล้วต้องมีเมตตาได้จริง